สามสิบห้าที่สนามบินเดิฉันขอจองเที่ยวบินไปเอเธนค่ะเทเธนกินอบิวอว์ยูเอ็คไตโนเดสกา นี่เป็นเที่ยวบินที่บินตรงใช่ไหมคะโจโกวินเดสขอที่นั่งริมหน้าต่างและไม่สูบบุหรี่ค่ะมาดูกิวะกิเอเซียวお願いしますดิฉันขอยืนยันการจองค่ะ予約の確認をお願いしたいのですがดิฉันขอยกเลิกการจองค่ะ ยูเอ็กซ์น์ของตกรีกซ์ชิขอเปลีーー่ยนการจองค่ะเอ์น์ขอเปีいい่ยวอบินไปโรมเที่ยวต่อไปออกกี่โมงคะที่ต่อไปออมงคะที a ต่กมงีกมที่่กงที่่อกีงท่อกกีที่ไปกกมคะที่ต่อไปออกงที่ไปมคะที่อไปอ่ ไม่เรามีที่ว่างอีกเพียงหนึ่งที่เท่านั้นค่ะเยออาโตอิเซกิิเซมเราจะไปถึงเมื่อไหร่คะถจะคือいつですかเราจะไปถึงที่นั่นเมื่อไหร่คะ何時に着きますかรถบัสไปกลางเมืองออกเมื่อไหร่คะ 都心へのバนは何時ですかุวีเด่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะคุาอานาตะโนซูี่กระเป๋าถือของคุณใช่ไหมคะこれはあなたのカバンนすかะโเดี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะ ดิฉันสามารถนำกระเป๋าเดินทางไปได้เท่าไรคะนิโมจิวะตัวได้ก็ไดกสยี่สิบกิโลกรัมนิสุกิโรเดอะไรนะแค่ยี่สิบกิโลกรัมเองหรือคะเอ๊ะทัตตะโนนิสุกิโรเดสกรุณาไปที่